ทสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสันส니สนท น, นาทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว f m ฟเสถานีที่ท่านสามารถจะรับฟังเรื่องราวทั้งสาระแล้วก็ทั้งความบันเทิงได้อย่างหลากหลายนะคะดิฉันสังสนีย์นักพงเป็นผู้ดำเนินรายการรายการนี้เพื่อที่จะทำให้ ท่านผูังนั้นได้เข้าถึงธรรมะของพระาศาสดากันย่าถูกต้องและนำเอาไปสู่การปฏิบัติซึ่งเป็นเป้าหมายที่สำคัญของศาสนาพุทธหรือว่าศาสด า, าของเราองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเมื่อตรัสรู้แล้วท่านก็ได้นำเอาสิ่งที่ท่านได้ตรัสรู้ซึ่งถือว่าเป็นสุดยอดของความรู้ที่ เราควรจะรู้มากที่สุดคะ่ะได้ถ่ายทอดสั่งสอนสืบเนื่องมาจนมาถึงวันนี้เป็นเวลากว่าสองพห้าร้อยปีคือหมายก็ว่าเขาเรียก่าเป็นสองพันหรอปีแล้วก็ว่าได้นะคะตั้งแต่เมื่อครั้งที่ปรินิพานไปแล้วเราก็เริ่มนับพศที่หนึ่งกันหลังจากปรินิพานนั้นเรามากราบมสกรร ท่านไพบูลนะคะซึ่งเป็นพระสงค์ที่ให้ความรู้กับพวกเรามาโดยตลอดแล้วเราก็จะมาเริ่มต้นกันด้วยการนั่งสมาธิภายใต้การนำของท่านที่เป็นผู้อนวยการหลักสูตรหรือเรนวัดป่าดอนไฮโซกันด้วยค่ะกลาวณมัสการ์รับท่คะเยี่ยบอนเวลาเรามาเริ่มการปฏิบัตินั้นให้เราตั้งจิตตั้งสติขึ้น เหมือนยังพระพุทธเจ้าของเราที่รวบรวมความรู้ทั้งหลายที่บอกต่อกันมาจนถึงเราเป็นเวลาสองพกว่าปีแล้วเนี่ยความรู้ต่างๆเหล่านั้นท่านค้นพบท่านพบเจอได้อย่างไรก็เริ่มจากการที่ตั้งสติขึ้นเหมือนกันเราจะรู้ความเข้าใจในธรรมะความรู้ต่างๆที่ท่านรู้แล้วได้ก็ต้องทําตามกระบวนการเดียวกันการตรัสรู้ธรรมการเข้าถึงธรรมก็ต้องทําตามกระบวนการที่เรียกว่า อริยมรรคมีองค์แเราจะเริ่มกระบวนการนี้ก็โดยการที่ให้เรามีความเข้าใจที่ถูกต้องมีความระลึกที่ถูกต้องความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของธรรมะนั่นก็คือเราสามารถที่ปฏิบัติได้เราสามารถที่พึ่งตนพึ่งทำทําความเข้าใจในธรรมะให้เกิดขึ้นได้โดยการตั้งสติขึ้นสตินั้นเป็นสิ่งที่ทําให้เราพึ่งตนสตินั้นเป็นสิ่งที่ทาให้เราพึ่งทำพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ ช่วงก่อนการปรัินิพพานว่าการพึ่งตนพึ่งธรรมนั้นก็หมายถึงการที่เราเจริญสติปัฏฐานวิธีการนั้นก็คือให้ใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือลมหายใจเป็นเครื่องมือในการที่จะให้จิตของเรามันตั้งขึ้นได้จิตของเราเนี้ยมันจะมีลักษณะที่แล่นไปเคลื่อนไปไหลไปตามสิ่งต่างๆที่มากระทบถ้ามันไหลไปเคลื่อนไปแล่นไปเหนือบ้างใต้บ้าง สุขบ้างทุกบ้างตามสิ่งที่มากระทบมันก็จะไม่ดีเป็นเหมือนกับลิงที่ทเที่ยวไปในปา่าเกาะกิ่งไม้นี้ปล่อยกิ่งเดิมเหนี่ยวกิ่งใหม่เรื่อยไปเรื่อยไปและถ้าเผื่อว่าเป็นที่ที่มันไม่ดีมันอาจจะถูกกับดักของนายบรานถูกจับไปถูกทําให้เกิดความทุกข์ต่างๆจิตของเรานี้ก็เหมือนกันถ้ามันเล่นไปในอารมณ์ที่สุขบ้างทุกบ้างมันก็จะขึ้นขึ้ น, นลงลงไม่มีความสุข จะเจอแต่สิ่งที่ดีบ้างไม่ดีบ้างเพราะฉะนั้นจึงจะต้องรักษาจิตด้วยสติเครื่องมือนั่นก็คือลมหายใจแทนที่จะให้จิตของเราเกาะเกี่ยววิ่งเที่ยวไปตามอารมณ์ก็ในขณะที่มันรู้อารมณ์ต่างๆเหล่านั้นเดี๋ยวน้อยให้มีสักกิ่งหนึ่งให้มีสักแง่งหนึ่งให้มีสักความรู้หนึ่งที่เราจะมารู้สึกระลึกรู้อยู่กับลมหายใจที่ผ่านเข้าผ่านออกอยู่ในทาง ร, รงจมูกนี้ เรารับรู้ถึงสัมผัสนี้ได้ที่ตำแหน่งไหนให้เอาจิตของเราตั้งไว้ณที่ตำแหน่งนั้นในขณะที่เรามีความคิดมีความรู้สึกได้ยินเสียงใดๆก็อย่าให้ลืมหลงหลมหายใจเพราะว่าลมหายใจนี้จะเป็นที่เกาะที่ยึดเหนี่ยวคําว่าที่เกาะนี้ก็หมายถึงเป็นศรณะคําว่าที่ยึดเหนี่ยวนี้ก็หมายถึงเป็นที่ตั้งสติของเราเพราะว่าเวลาที่เรามีสติขึ้นแล้วอย่างนี้ สติของเราจะค่อยมีกำลังกาลังมากขึ้นจากการที่เราเอาจิตมาระลึกถึงลมหายใจเมื่อจิตมาระลึกถึงเรื่องใดๆจิตนั้นก็จะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นสิ่งที่จิตเอาไปใส่อยู่นี้ก็จะมีกำลังมากขึ้นจิตไม่อยู่กับลมสิ่งที่มาพร้อมกับลมคือสติก็จะมีกำลังมากขึ้นเมื่อสติมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นจะเอาความคิดนึกอารมณ์ต่าง ที่พยายามจะมากลุ่มรุมห่อหุ้มจิตนั้นก็จะค่อยอ่อนกําลังลงอ่อนกําลังลงความทุกข์ของเราก็จะค่อยๆลดลงไปทุกขั้นตอนของการปฏิบัติเราแค่มามีสติอยู่ในลมหายใจสักลมหายใจหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกเหวี่งเป็นธรรมชาติแค่รู้ไปทีละลมทำไปทีละครั้งนับไปทีละหนึ่งบางทีมันอาจจะลืมบ้างเผลอบ้างก็อย่าให้มีความเสียใจมีความไม่พอใจ เพราะนั้นจะเป็นอุปสรรคในการที่จะทําให้จิตเรามันตั้งขึ้นไม่ได้แต่ให้มีสติว่าอ๋อฉันไม่ได้อยู่กับลมแล้วก็มาตั้งสติกับลมหายใจใหม่อย่าให้มีความดีใจว่าฉันทําได้ทําสมาธิให้เกิดขึ้นเพราะนั้นจะทําให้เกิดความเพลิดเพลินไปในเวทนานั้นความรู้สึกนั้นแต่ให้เราตั้งสติไว้เฉยๆอย่าให้มีความสุขหรืออย่าให้มีความทุกข์ความสุขนี่คือหมายถึงว่า เราเผลอเพลินไปตามความสุขนั้นแต่ความสุขอาจจะเกิดขึ้นได้แต่อย่าให้เผลอเพลินไปอย่าให้จิตใจเล่นไปตามความทุกข์ความทุกข์อาจจะเกิดขึ้นได้อย่าให้มีความขยาดขยังเกลียดจังไม่พอใจโดยให้จิตของเรามาตั้งว้ระลึกถึงอยู่มลมหายใจทำอยู่อย่างต่อเนื่องทำอยู่อย่างสม่ำเสมอทำอยู่อย่างติดต่อทำอยู่อย่างไม่ขาดสายถ้ามันอาจจะเลอเพลินลืมหลงไปบ้าง ก็อย่าให้มีความไม่พอใจความเสียใจระลึกได้เมื่อไรก็ตั้งสติของเราขึ้นในระหว่างวันก็เหมือนกันเ ร, เราระลึกได้เมื่อไรเราตั้งสติของเราขึ้นโดยให้มาอยู่กับลมหายใจบางทีอาจจะนึกได้ตอนที่อยู่คนเดียวว่างๆกับรถหรือตอนที่กาลังคิดอ่านการงานใดๆระลึกได้ก็มารู้ลมทำไปอย่างนี้จะช่วยเป็นการเสริมสร้างกาลังสติก็เราให้มีมากขึ้นทาไปทาไปแล้วเราก็ เข้าใกล้สูญิปานเข้าไปทุกลมหายใจทุกลมหายใจในวิธีการฝึกปฏิบัตินี้ให้เราฟังทำอยู่เป็นประจำทำอยู่แล้วก็ให้ฟังสิ่งต่างๆรู้สิ่งต่างๆระลึกถึงลมไปฟังทำไปด้วยได้เจริญปราสาธุค่ะคือหมายความว่าไม่ใช่ท่านเพบูนนำปฏิบัติเสร็จแล้วท่านเลิกชับเลยจะดีที่สุดถูกไหมคะก็ให้ทาต่อเนื่องต่อไปใช่ นะคะนี่คือวิธีการเจริญสติบางคนบอกว่าก็ฟังมาหลายวันแล้วนะท่านก็พูดอยู่ตรงเนี้ยไม่ไปไหนสักทีหมายความว่ายัางไรคะท่านอาจารเออก็หมายความว่ามันเป็นการปฏิบัติที่เร า, าไงต้องทําซ้ําๆทําย้ำๆศัพท์ที่พระพุทธเจ้าใช้คือทําให้เจริญอย่างอย่างเวลาเราหมุนเกลียวน็อตนี่นะคุณยมติวเราหมุนเป็นวงกลมก็ทําอยู่อย่างเดิมอ่ะแต่ว่าน็อตมันแน่นขึ้นหรือว่าน็อตมันหลวมออก ตามทิศทางที่เราหมุนไปแต่ประเด็นไอ้ลักษณะของมาร์เนี่ยคุณทําเหมือนกับเหมือนเดิมอ่ะเช่นก็มารู้ลมหายใ่เหมือนเดิมเอชนกับพิจารณากายเหมือนเดิมเชนกับจิตก็เป็นสมาธิเหมือนเดิมแต่ความเหมือนเดิมเนี่ยมันมีความก้าวหน้าไปแต่เพราะว่าทิศทางที่จิตของเราไปเนี่ยคือทิศทางที่กิเลสมันลดลงกิเลสมันลดลงนะอย่างเวลาที่เราสร้างถนนเนี่ยนะกรมทางหลวงเนี่ยเขาสร้างถนนไปทางไหนก็แล้วแต่ แตเทคโนโลยีถ้าเขาใช้เทคโนโลยีเดียวกันเช่นคุณใช้เทคโนโลยีอย่างมาตอยอัดดินอย่างนี้แต่คุณสร้างกิโลเมตรที่1ก็ทําแบบนี้คุณสร้างต่อไปกิโลเมตรที่2กิโลเมตรที่สิกิโลเมตรที่50กิโลเมตรที่ร้อยจากกรุงเทพจะไปถึงเชียงใหม่เนี่ยก็ใช้วิธีเดียวกันทํากิโลเมตรที่1ก็เหมือนทํากิโลเมตรที่700รแต่ว่ามันไปเรื่อยไงมันมันยืดไปเรื่อยๆมันก้าวหน้าไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตรงนี้คือจุดที่สําคัญว่า ถ้าเราทําถูกเราจะไม่เบื่ออย่าคือถ้าเราทําไม่ถูกก็จะเบื่อว่าเอ๊ะมันใช่หรอทําไมทําเหมือนกันทุกวันอันนี้ความเบื่อความสงสยัยความลังเลความเคลือบแคลงมันจะเกิดขึ้นมาพวกนี้เป็นนิวรณ์จะเป็นเครื่องกลางกั้นที่ทําให้เราหยุดการปฏิบัติแต่หยุดการปฏิบัติก็จะเสร็จมานเลยก็จะคือเสร็ จ, รจกิเลสอ่ะกิเลสมันก็จะสบายใจะละฉันทําให้เธอหยุดการปฏิบัติได้เนี่ยพวกนี้คือเครื่องกลางกั้นเรา<ม>อย่าไปเอาใจไปใส่ไว้ตรงนั้น แต่ประเด็นก็คือทําเหมือนเดิมแต่ว่าความก้าวหน้าไปจะมีแน่นอนสะทุกค่ะดิฉันเคยเจอผู้ใหญ่ท่านหนึ่งตอนนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วอายุมากเดินออกกําลังไปเจอกันในหมู่บ้านนะนะคะอืก็สนทนากันเรื่องเนี้ยค่ะท่านก็บอกว่านานมาแล้วนะเคยนั่งสมาธิคือเหมือเคยพยายามทํามาก่อนนะคะเนื่องสมาธิแล้วเหมือนกับว่ามันมันได้ครั้งเดียว หลังจากนั้นแล้วไม่เคยได้อีกเลยอก็เลย๋ไม่ค่อยได้ทําอะไรอย่างเงี้ยนะคะ อ, นนอันนี้คือลักษณะของความที่ไม่ชํานาญคือบางทีเราทําด้วยความที่ยังไม่ชํานาญเนี่ยมันฟลุกๆได้เนี่ฟลุกๆได้ทีนะ น, นี้พอพอได้ตรงนั้นแล้วโอ้ดีจังเลยแล้วคือคือเกิดความดีใจความยินดีเนี่ยนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับคนที่เข้าไปหาขุมทรัพย์เนี่ยนะ กลุ่มซับเนี่ยคิดว่าจะไปเจอกลุ่มซับสักขุมหนึ่งโหย้ยแต่แดันไปเจอตั้งห้าขุมดินะไปเจอกลุ่มซับตั้งห้าขุมเนี่ยมันก็ดีใจแบบลิงโลดเลยเพอดีใจแบบลิงโลดสมาธิเสื่อมเลยเดนะดีใจแบบลิงโลดสมาธิเสื่อมเข้าไม่ได้เอ๊ะทำยังไงทําไงเข้าไม่ได้สิปียี่สปีบนที่นี้ยังไม่ได้ยังระลึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านไปเมื่อยี่สิปีที่ล้วที่ฉันเคยได้เนี่ยทําไมตอนนี้มันไม่ได้อย่างเงีง้ยถ้าคุณอยากได้แต่คุณไม่ได้หรอกสมาธิมันเป็นอย่างนี้ ค่ะก็ถ้าเข้าใจถูกต้องจะได้มีกำลังใจที่จะทำต่อไปดิฉันจะพูดเพิ่มเติมเหมือนกับที่ท่านได้กล่าวไว้เมื่อวานนี้ได้ไหมคะว่าลักษณะของสมาธิเนี่ยก็จะมีปรากฏการเกิดขึ้นที่เรียกว่าเป็นการปรุงแต่งของจิตเนี่ยในลักษณะต่างๆใช่ซึ่งขนาดที่ว่า เราปฏิบัติแล้วเรารู้สึกเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ได้เห็นไม่มีนิมิตเหมือนอย่างกับที่เพื่อนๆมาเล่ากันให้ฟังอืแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอันนั้นไม่มีไม่มีปรากฏการความก้าวหน้าของการทําสมาธิอ่าไม่ใช่อย่างน้นไม่ใช่อย่างนั้นถูกตอ้องเอวคําคํานี้นิดหนึ่งแต่ใ น, ในคุณโยมตีกบพูดขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องของการปรุงแต่งของจิตเนี่ยนะค่ะเอะเพราะว่าจิตเนี่ย จิตของเรานะคือธรรมชาติจิตเนี่ยมันมันเป็นแบบประพัดสอนคือคืนไม่ได้มีอะไรเจือปนเหมือนอยา่างกับน้ําบริสุทธิ์อย่างเงี้นะทีนี้ว่าถ้าถ้าน้ําบริสุทธิ์เนี่ยใส่น้าตาลลงไปคนๆดูมันก็เหมือนกับน้ําทั่วๆไปดูมันก็เหมือนน้ำทั่วทั่วไปใช่ไหมปริมาณ ก, ก็เท่าเดิมแต่ไปชั่งน้ําหนักไอ้กลับหนักขึ้นหรือมาชิมดูไอ้หวานขึ้นมันจะมีเครื่องปรุงแต่งที่มาเจืออยู่ในสิ่งที่เราอาจจะเห็นว่ามันสีเดียวกัน ดูด้วยตาแล้วเหมือนกันแต่ว่าคุณสมบัติอื่นๆอาจจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยมันบริสุทธิ์ของมันอยู่เดิมแต่ด้วยหน้าที่ของมันที่จะไปรับรู้สิ่งนั้นรับรู้สิ่งนี้เนะรับรู้อารมณ์ความสุขบ้างรับรู้อารมณ์ความทุกข์บ้างรับรู้เวทนาบ้างรับรู้สัญญาบ้างรับรู้ความคิดบ้างไอการที่มันไปทําหน้าที่ในการรับรู้เนี่ยคือลักษณะการปรุงแต่งของมันเพราะฉะนั้นการปรุงแต่งของจิตเนี่ยไม่ใช่เฉพาะนิมิตที่แบบเห็นแสงหูวาเห็นรูปภาพอะไร ที่มันแบบวื้หวามีสีสันไม่ใช่แค่นั้นแต่แค่ว่าคุณมีความคิดเนี่ยคุณไปคิดนี่ใช่ไหมคิดเรื่องพ่อเรื่องแม่แค่นี้เป็นการปรุงแต่งของจิตแล้วนะเพราะว่าสัญญาเวทนาพวกนี้คือการปรุงแต่งของจิตหมดเลยแต่เวทนาคือความรู้สึกนะเช่นคุณนั่งสมาธิบางทีเมื่อยก็ไอความที่คุณไปรู้สึกเนี่ยเวทนาเนี่ยอันนี้คือการที่จิตไปปรุงแต่งแล้วปรุงแต่งในลักษณะการทํางานของมันมันมีอยู่ตลอดเวลาแน่นอน เพราะนั้นถ้าแบบเราทําสิ่งนี้ให้ระ ง, งับลงระ ง, งับลงจนกระทั่งทําการปรุงแต่งของจิตให้ระ ง, งับเนี่ยเราจะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตที่จิตแบบนิ่งๆเย็นๆไม่มีอะไรประพัดสอนแจ่มใสสว่างไม่ได้มีความคิดนึกมาเจือไม่ได้มีอารมณ์ความรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างมาเจือไม่ได้มีเรื่องอะไรเลยเนี่ยเพราะนั้นการปรุงแต่งของจิตเนี่ยมันจะอยู่บนมาคอยบังจิตไม่ให้เราเห็นจิต คืบางคนก็ไม่เคยเห็นจิตเลยนะจนอายุ4ี5 0หรือกว่านั้นด้วยซ้ําเห็นแต่การปรุงแต่งของจิตเห็นแต่ความคิดอารมณ์ความรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างก็ตามกรรมที่คุณทํามาตามการปรุงแต่งที่คุณทําไปเห็นแต่การปรุงแต่งของจิตตรงนี้แล้วก็ไม่เคยเห็นจิตเลยจนกระทั่งมาทําการปรุงแต่งของจิตเนี่ยให้มันระ ง, งับลงระ ง, งับลงระงับลงระงับลงชั่วขณะหนึ่งอ้เห็นจิตละรู้ว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็จึงเข้าใจมากขึ้นแหละว่า การกระบวนการการปฏิบัติก็ เ, เป็นไปตามขั้นตอนอย่างนี้ค่ะสสดุค่ะมีคำถามอยากจะเข้าใจว่าท่านได้เลือกเอาคำถามของผู้ที่ไปฝึกปฏิบัติที่วัดป่าดอนหายโศกเยนบ้านมาให้เป็นคำถามที่จะเกิดประโยชน์กับท่านฟังทั้งหลายที่อยู่ทางบ้านด้วยใช่ไหมคะใช่ชื่อคุณพัฒมมนสมจิตเนี่ยก็ถามมาว่าหากผู้ที่ทำบาปมาตลอดชีวิต เป็นผู้ที่สมควรแก่การตกนรกแต่เมื่อลมสุดท้ายของชีวิตคนผู้นั้นสามารถละได้ซึ่งความอยากทั้งปวงปราคะโทสะโมหะหากเป็นเช่นนี้แล้วคนผู้นั้นจะหลุดพ้นจากวะัฏะสงสารได้หรือไม่หากพ้นได้นั่นคือบุคคลสามารถอยู่เหนือกรรมของตนได้ใช่หรือไม่คะโอเ ค, เอคการที่หลุดพ้น ในการหลุดพ้นจากราคาโทสะโมหะหลุดพ้นจากวัตตสงสารอันนี้ก็จะมีเหตุของการหลุดพ้น่ ค, คือคือำว่ากรรมเนี่เอาคำานี้ก่อนนะว่าหมายถึงการกระทำซึ่งคุณทำกรรมใดก็จะได้ผลอย่างนั้นแต่กรรมมีการกระทำมันก็จะต้องมีการให้ผลของมันอันนี้กฎมันเป็นอย่างนี้อั น, นี้คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเราต้องการการหลุดพ้น ก็จะต้องมีเหตุของมันมีเหตุและมีผลของกันและกันแต่ถ้าคุณจะไปตกนรกก็ต้องมีเหตุของการที่ไปตกนรกถ้าคุณจะไปขึ้นสวรรค์คุณก็ต้องสร้างเหตุของการจะไปขึ้นสวรรค์ถ้าคุณจะห ล, ลุดพ้นคุณก็ต้องสร้างเหตุของการที่จะหลุดพ้นทีนี้ประเด็นคือตรงนี้นนในคำดำของคุณพระธรรมมก็คือว่าอะไรที่คุณสร้างไว้ก่อนแล้วเนี่ยนะมันจะให้ผลอย่างไรอย่างไรเนี่ยอยู่ที่กําลังของสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็ตัวอย่างเช่นว่าถ้าเราสร้างเหตุของการไปตกนรกสร้างไว้มากเลย แล้วก็หนักด้วยแล้วก็จะมาให้ผลก่อนด้วยการไปตกนรกนั้นก็จะให้ผลก่อนคือคุณก็ยังจะหลุดพ้นไม่ได้เช่นว่าถ้าคุณฆ่าพ่อฆ่าแม่อย่างเงี้ยนะทอนันตริยกรรมเนี่ยเป็นกรรมหนักคำว่าหนักนี่คือหมายถึงว่ามันจะให้ผลก่อนให้ผลทันทีให้ผลหนักด้วยให้ผลมากนะนี่คือลักษณะของอนันตริยกรรมเนี่ยซึ่งซึ่งมันก็จะให้ผลตามเหตุที่คุณทำใช่ไหมแต่ถ้าคุณสร้างเหตุ ของการที่จะไปสวรรค์นะไว้มากไว้ก่อนไว้หนักแล้วก็จะให้ผลก่อนเช่นคุณนั่งสมาธิได้ชาญที่มันสงบลึกอันนี้ก็เป็นกรรมหนักของฝ่ายดีแล้วก็จะให้ผลเดียวนั้นเลยผลเดียวนั้นคือความสุขยินอยู่ในใจแต่คนที่เข้าชาน123่หรือขั้นอรูปขึ้นไปเนี่ยเขาจะได้ความสุขเย็นที่อยู่ในใจก่อนละอันนี้คือให้ผลเดียวนั้นเลยทีนี้ไอการที่จะไปหลุดพ้นก็จะอยู่ที่เหตุที่คุณสร้างมา เหตที่คุณสร้างของการที่จะไปหลุดพ้นจากราคาโทสะโมหะหลุดพ้นจากวัตตาสงสารได้ก็คือการเห็นตามที่เป็นจริงการไปฏิบัติตามมรรคแแต่ถ้าคุณทําได้ดีมันก็จะเกิดผลก่อนแต่ตรงนี้ก็จึงต้องอยู่ที่เราสร้างเหตุแบบไหนถ้าสร้างเหตุแบบตกนรกไว้ตามคําถามเนี่ยนะคือคุณสร้างเหตุตกนรกไว้อเอาแค่ว่าเราคิดชั่วคิดด่าคนนั้นน่ยแหมทําไมเธอทําอย่างนี้เธอไม่ดีเลยคิดแค่นี้นะ อันนี้จะเป็นเหตุให้ไปตกนรกนะจะเป็นเหตุให้ไปตกนรก <Okay. S 1> แต่ว่าการที่จะไปตกนรกเพราะเหตุนี้เนี่ยอาจจะให้ผลภายหลังโอ้ยอีกนานกว่าจะให้ผลผเพราะอะไรเาลังมันอ่อนแล้วเปรเียบเหมือนกับอะไรพระพุทธเจ้าเปรเียบเหมือนกับเวลาที่เราเอากิ่งไม้กรีดลงบนน้ําอย่างเงี้ยนะเอามีดกรีดลงบนผิวน้ําเนี่ยมันจะจวดแล้วน้ําแวกออกไปนิด น, นึงก็จริงแต่แป๊บเดียวมันก็จะปิดกลับกันเข้ามาใหม่แต่เปรเียบเทียบกับ ถ้าเราเอากิ่งไม้กรีดลงบนทรายกรีดลงบนทรายแตทรายริมน้ำเนี่ยตอนเย็นน้ําขึ้นมันก็กลบทรายนี้ไปแต่ทรายก็เรียบเหมือนเดิมนี่คือผ่านไปหนึ่งวันตามจังหวะน้ําขึ้นน้ําลงใช่ไหมแต่ถ้าเราเอากรีดลงไปบนหินนะใช้สิวหรือใช้ขวานกรีดลงไปบนหินเนี่ยรอยที่อยู่บนหินมันก็จะอยู่เป็นนูนนะ่นอพันปีแล้วน่นนะกว่ามันจะหายไปก็คือกรรมที่คุณทำเนี่ยมันมากหรือมันน้อย ดังนั้นจึงมีอยู่3อย่างในที่นี้ตามคามตามคุณพัะธรรมมล น, นะจะมีอยู่3อย่างคือหนึเหตุที่ทําแล้วไปชั่วนะคือกรรมที่ทําแล้วไปชั่ว 2. เหตุที่ทําแล้วไปดีคือการกระทําคือกรรมที่ทำแล้วมันจะไปสูง3คือเหตุที่กระทําแล้วจะเป็นใบเพื่อการสิ้นกรรมนี่คือมรรคแปดอย่างเนี้ยคุณสร้างเหตุแบบไหนามากแบบไหนจะให้ผลก่อนผลหลังมันก็อยู่ที่ว่า3อย่างนะก็คือกรีดลงบนผิวน้ํา กรดลงบนทรายหรือกรดลงบนหินไปในในที่นี้ก็คือว่าในข้อที่3ที่ผมว่าเอ้ยถ้าเราสร้างเหตุเพื่อที่คือคนเรามันก็สร้างทุกอย่างนะคิดชั่วก็มีคิดดีก็มีแล้วก็ปฏิบัติสมาธิก็ด้วย3อย่างเนี้ยเราทําหมดทั้งสาอย่างเลยแต่ทำหมดทั้ง3อย่างมันก็จะทําให้เกิดทั้ง3อย่างเป็นเหตุที่จาไม่เกิดผลทั้ง3าอย่างทีนี้้ผลที่มันจะเกิดขึ้นอะไรหล่ะมันจะให้ผลก่อนตอนนั้นเดี๋ยวตัวอย่างเช่นท่านพระอังคุลิมาน ในเมืองกุลีมานะโหค่าคนแบบ <Okay. S 1> อย่างมากเลยใช่ไหมอันนี้จะทําให้ไปตกนรกแน่แต่ว่ามีพระพุทธเจ้ามาบอกสอนท่านก็จึงสร้างเหตุแบบใหม่ลกคือท่านสร้างเหตุเพื่อจะไปตกนรกเอาไว้ใช่ไหมที่พอมี <Okay. S 1> รู้คําสอนที่จริงที่ถูกต้องแล้วก็สร้างเหตุที่จะไปถึงความสิ้นกรรมนะไม่ทุกข์ไม่สุขไม่ไปสวรรค์ไม่ไปนรกละเพื่อจะหลุดพ้นแล้วท่านทําได้แต่ตรงนี้ให้ผลก่อนเพราะอะไร เพราะการปฏิบัติของท่านเพราะอะไรเพราะการที่ท่านมีกัลยาณมิตรเพราะอะไรเพราะการที่ท่านมีศรัทธามีข้อปฏิบัติต่างๆในมรรคแปดนี่แหละนะพ อ, อทํำปุ๊บเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมีความสิ้นกรรมแล้วเนี่ยไอ้กรรมที่ทําผ่านๆมาเนี่ยมันจะให้ผลไหมคําตอบคือให้แน่แต่มันให้ไม่ได้ทําไมมัถึงให้ไม่ได้เพราะว่าคือจิตที่มันจะให้เกิดผลเนี่ยมันมันดับไปแล้วเหตุของการที่ต้องไปรับกรรม เวียนไปในวัตถุสงสารมันดับไปแล้วประนั้นคือการหลุดพ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาที่หลุดพ้นไปแล้วเนี่ยไอสิ่งชั่วหรือสิ่งดีที่เราได้สร้างมามันก็จะให้ผลได้เฉพาะช่วงที่ท่านอยู่ในภพนั้นที่ที่จะจบแล้วนั้นจะให้ผลอื่นๆเนี่ยจะไม่ได้ละพูดง่ายๆก็คือว่าจะไม่ไปตกลงโลกละทางดังที่ทํากรรมชั่วมาจะไม่ไปขึ้นสวรรค์ละทางๆที่ทํากรรมดีมามันสุดจบที่นี้นี่คือคือข้อที่ข้อที่3มที่บอกว่า ก็สามารถอยู่เหนือกรรมของตนได้ในคำตอบนี้คือ mungkin. ถูกต้องเราเราอยู่เหนือกรรมได้แต่แต่ถ้าเอาความเชื่อนี้อย่างเดียวว่าฉันอยู่เหนือกรรมได้โดยไม่ได้เชื่อเรื่องเหตุเชื่อเรื่องปัจจัยอันนี้มันจะเป็นพิจารทิฏฐินิดหนึง่งเราก็ต้องทําตามเหตุตามปัจจัยแห่งความที่จะอยู่เหนือกรรมก็ จ, จนะนั่นคือไม่ใช่ว่าจะอยู่เหนือกรรมโดยที่ไม่ได้สร้างเหตุสร้างปัจจัยไม่ใช่ก็ต้องสร้างเหตุสร้างปัจจัยในการที่จะทํากรรมนั้นให้สิ้นได้ นี่คืออยู่เหนือกรรมที่เราทําชั่วมาอยู่เนือกรรมที่เราทําดีมากตรงเนี้ยจึงเป็นเอกลักษณ์คือเป็นความไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครมีของคําสอนของพุทธะตรงนี้นะอืเริ่มพอนสาธุค่ะค่ะก็เป็นการที่จะอธิบายเพื่อที่จะให้ท่านทั้งหลายเนี่ยได้เข้าใจง่ายๆร่วมกันไปกับคุณพัรม น, นะคะว่าดิฉันจะค่อยๆ ทําความเข้าใจของตัวเองตรวจสอบนะคะว่าถ้าตามคาถามของคุณพัฒม์มลว่าทํากรรมไว้ตลอดชีวิตอันเนี้ยถือว่าเป็นคนที่ก็มีกรรมเยอะละเพราะว่าเป็นกรรมที่ไม่ดีคือสร้างเหตุเอาไว้ในทางที่ไม่ดีใช่ไคะแต่ว่าเกิดมามีความรู้แน่เลยนะคะถึงลมสุดท้ายของชีวิตเนี่ยได้หลุดพ้น ในสิ่งที่เป็นกิเลสทั้งปวงคือราคะโทสะโมหะมแล้วก็ท่านบอกว่าจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการกระทำเช่นเดียวกันคือสร้างเหตุในทางที่ทำให้เกิดกุศลกรรมถูกไหมคะในทางที่จะสิ้นราคะโทสะโมหะใช่แล้วก็ต้องมากพอคือตามมาักแปดที่ทำให้กิเลสนี้หมดจดได้เลยใช่และอันเนี้ยแหละถึงจะสามารถ พ้นกรรมได้คือหมายถึงว่ากรรมเดิมเนี่ยที่ทำมามันมีอยู่ถูกไหมคะ<ช>แต่ท่านใช้คบว่าไม่มีตัวไปรับเนี่ยคือจิตหรืออะไรนะคะที่ท่านฟังไม่ทันจิ ต, จ, ตจำไม่ได้จิตหรือวิญญาณไม่มีอ่ามันมันดับไปมันดับไปคือการเดินตามมรรคถ้าทำได้อย่างสมบูรณ์แบบจะสามารถทำให้จิตหรือวิญญาณซึ่งจะเป็นตัวที่จะไปรับผลของกรรมหรือว่าผลของเหตุนั้นๆไม่มีถูกต้องสิ้นไป ดับไปค่ะหลักการจะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วท่านได้บอกว่าเป็นสิ่งที่เป็นเอกเป็นหนึ่งเดียวของคำสอนที่บรรดามีอยู่ในโลกนี้ใช่ไหมคะที่จะสามารถปฏิบัติเพื่อพาตัวเองไปสู่การพ้นกรรมได้ถูกต้องอย่างกับพระอังคุริมานบางท่านถ้าสมมติคุ้นๆอยูน่นะชื่ออังคุริมานเนี่ยแต่ว่าไม่รู้ว่าทาไมถึงทากรรมอะไรนักหนาดิฉันเด็กๆเนี่ยจะกลัว มากเลยนะคะแต่ตอนนั้นเข้าใจว่าชื่อองคุลีมานโอ้หลับตานึกถึงเนี่ยผู้ชายคนนี้ใจร้ายมากเจอใครก็ฆ่าฆ่าฆ่ า, าแล้วก็เอานิ้วเขาใช่ไหมคะ ม, มร้อยเป็นพวงรอบคอใช่เป็นที่น่าหวาดกลัวคนแบบนี้เป็นไปได้ยังไงว่าจะสามารถพ้นกรรมได้เพราะดูเหมือนกับว่าฆ่าหนึ่งชีวิตก็แย่แล้วแต่ก็พ้นได้พ้นได้ท่านสังค่ะเออ ต, ตัวนี้ก็คือจึงเปนจุินเหตุ ประเด็นที่ที่พูดถึงว่าอันนี้เป็นเอกลักษณ์เป็นหนึ่งเดียวในคําสอนเนี่ยคือว่าการพ้นจากความทุกข์ไม่ใช่ว่าเราจะไปอ้อนวอนหรือขอร้องให้ผู้ที่มีอํานาจเป็นใหญ่ที่จะให้เราพ้นได้หรือว่าต้องทําสิ่งที่ท่านจะพอใจ่ท่านถึงจะแบบบรรดาลให้เราพ้นจากความทุกข์ในตามคําสอนของพระพุทธเจ้าจะไม่ได้เป็นเช่นนั้นแต่จะสร้างเหตุที่เหมาะสมแต่ถ้าคุณจะสุขคุณก็สร้างเหตุในความสุขถ้าคุณจะทุกข์ คุณก็ต้องสร้างเหตุแห่งความทุกข์ถ้าคุณจะพ้นจากทั้งทุกข์และสุขคุณก็ต้องสร้างเหตุแห่งการที่จะพ้นจากทั้งทุกข์และสุขตรงนี้แต่จะเป็นการพึ่งตนในการที่ตัวเองจะกระทำทำตามไหนทําตามธรรมะก็จึงต้องพึ่งทําด้วยอย่างตรงนี้จะเป็นเอกลักษณ์คําสอนของพระพุทธเจ้าประเด็นประเด็นของคุณพัฒม์ต์ตรงนี้ที่หนึ่งก็คือว่าถ้าเปบอกว่าเรามารอจนลมสุดท้ายของชีวิตจนแบบจะจ่อจอจะตายอยู่แล้วเนี่ยนะ แล้เพิ่งจะมาคิดว่า <คะ S 1> เอองั้นฉันปฏิบัติทําดีกว่าอย่างเงี้ยอันนี้มันมันเป็นการประมาทเพราะว่าเหตุเราสร้างอยู่ตลอดเวลานะอย่างอย่างคนที่ยังไม่ได้หลุดพ้นเนี่ยคุณไปเดินถนนคุณกินข้าวคุณเข้าห้องน้ำํำพวกนี้คุณจะสร้างกรรมอยู่ตลอดเวลาอยู่และแต่สร้างเหตุ <คะ S 1> อยู่ตลอดเรามีความคิดอยู่ตลอดเรามีการพูดจาอยู่ตลอดเรามีการกระทําทางกายอยู่ตลอดการวาจาใจเนี่ยมีการกระทําอยู่ตลอดมันก็เป็นการสร้างกรรม เปมีกรรมทางกายกรรมทางวาจากรรมทางใจสร้างไปสร้างไปทีนี้ถ้าเผิดเราสร้างกรรมชั่วไว้มากใช่ไหมไอไอผลที่มันจะเกิดเนี่ยมันก็จะเกิดมากถ้าผืว่าเราคิดว่าเงีนชวนเล่นก่อนเที่ยวก่อนกินก่อนทําชั่วก่อนแต่แล้วตอนใกล้ๆตายฉันค่อยแก่ๆหน่อยกยค่อยไปฟังธรรมะปฏิบัติธรรม้าวัดนั่งสมาธิแล้วไอผลที่คุณทํามาก่อนมันจะไม่ให้หรอมันก็จะให้เนะ มันก็จะทําให้เรามีจิตใจในลักษณะว่าไม่อยากทําไม่อยากปฏิบัติมันก็จะน้อมไปในทางนั้นเพราะฉะนั้นตรงเนี้จึงเป็นความประมาทถ้าบอกเราจะมารอทําจ่อๆเอาตอนใกล้จะตายแต่จึงเป็นความประมาทเราก็ทําตอนนี้ซะก่อนอะไรทําได้เราก็ทำซะก่อนแต่ เ, เพราะว่าทําความดีความดีนั้นก็จะให้ผลทําให้จิตใจนั้นน้อมมาในทางที่จะดีมากขึ้นในทางที่จะดีมากขึ้นน้อมมาในทางที่เออปฏิบัติธรรมฟังธรรม ฟังให้มันลึกซึ้งยาวนานต่อเนื่องมากขึ้นมันก็จะเป็นไปในทางนี้เพราะฉะนั้นลนักษณะการที่จะทำให้สิ้นกรรมได้เส้นทางตรงนี้มันจึงเป็นทางที่ไปตรงกันข้ามกับความชั่วเราจะเห็นว่าความชั่วความดีเนี่ยมันเปนตรงกันข้ามกันใช่ไหมทีนี้ไม่ใช่ว่าไอเราจะไปทางที่จะไม่ทั้งชั่วไม่ทั้งดีเนี่ยแล้วจะไปตรงกลางๆเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าการที่จะไปพ้นจากทั้งชั่วทั้งดีคุณต้องไปทางดีก่อน คือไม่ใช่ไปทางระหว่างความชั่วความดีนะฉะนั้นก oh ็ทําชั่วนิดนึ่งทำความดีหน่อยหนึ่งทําความชั่วมากบ้างทําความดีมากบ้างแล้วคิดว่าจะพ้นจากความดีความชั่วอันนี้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นทางที่มันไปเนี่ยมันจึงต้องไปทางดีก่อนแล้วตรงเนี้ยวางความดีตรงนั้นเออนี่ถึงจะพ้นจากทั้งชั่วและพ้นจากทั้งดีคือจะพ้นจากชั่วคุณต้องมาทางดีก่อนจะพ้นจากดีคุณต้องวางความดีตรงนั้นตรงนี้คือจึงเราถึงจะมาปฏิบัติตามกระบวนการได้ บบค่ะฉะนั้นเองก็นึกตามท่านตอนที่ท่านได้กล่าวก่อนหน้าจะมาขยายความตรงเนี้ยนะคะว่าเอ๊ะแก้กรรมได้จริงเสียได้ยนะกรรมดีๆก็พอ ร, รู้ว่าตัวเองทําไม่ดีที่มีโอกาสจะตกนรกได้ก็ไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารอะไรไเยอะเลยอืแล้วพอถึงสุดท้ายท่านบอกให้วางพูาขยายตรงเนี้ยในส่วนที่เราคิดว่าเป็นกรรมดีเสียได้เหมือนกันเสียดายไม่ได้เลยใช่ไหมคะท่านคะเสียดายมันก็จะอยู่ยืดอยู่ไง แล้วก็จะจมอยู่ในนั้นก็จะอยู่ก็ดีก็ไปสวรรค์ไปพรหมโลกก็ก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีก็ดีดีบ้างแต่ความไม่ดีมันมีตรงที่วา่าถ้าความดีนั้นมันหมดกำลังแล้วพอมันไม่เที่ยงมันหมดกำลังได้คุณก็จะต้องมาตกนรกได้เป็นมนุษย์ได้ทุกได้เหมือนกันค่ะในสังคมไทยเราจะได้ยินคำกล่าวว่าแก้กรรมคนนั้นสามารถช่วยให้แก้กรรมได้ <c oughs> คนนี้สามารถช่วยให้แก้กรรมได้ บางคนกรรมไม่มีหรอกแต่ก็มีความรู้สึกว่าไมา่มถึงว่าไม่ได้ทํากรรมหนกักอะไรไว้แต่ก็ไปเข้ากระบวนการเหมือนกันอยากจะบทจดผุดพอง <c oughs> หรือว่าบางคนทํากรรมหนักๆไว้บอกใครไม่ได้มันหนักโออดีจังเลยมีคนที่ชี้ทางแก้กรรมให้ได้ก็ไปทําอะไรกันต่า ง, างๆนาน า, นายเยอะเหมือนกันนะคะซึ่งบอร์เพณชนะที่ที่ถูกต้องในเรื่องนี้นนก็คือทากรรมให้สิ้นตามตามกระบวนการ ไอ้กรรมที่เราทําแล้วเนี่ยยังไงมันต้องได้รับผลแน่นอนยังไงก็ต้องได้รับผลทีนี้ว่าการได้รับผลเราก็สร้างเหตุแห่งการสินรรส้นกรรมแต่คำว่าสิ้นกรรมเนี่ยคือการที่พ้นจากราคะโทสะโมหะมันไม่ใช่ว่าจะไปแก้อย่างนั้นก็ต้องสร้างเหตุแห่งการที่ทําให้สิ้นได้มันมันใครจะไปแก้กรรมให้กันมันไม่ได้แต่แต่ทําให้กรรมให้สิน้นตัวเราเองทําได้นี่ประเด็นนะค ะ, คะดังนั้นถ้าเป็น ชาวพุทธยิ่งแล้วก็ต้องทราบว่าคำว่าแก้กรรมที่แท้จริงจะต้องเกิดจากตัวของเราเองถูกต้องแล้วก็ห้ามใช้คำนี้ด้วยใช่ไหมคะว่าคือจะต้องใช้คำว่าสิ้นกร ร, รกรรมที่เป็นไปเพื่อการสิ้นกรรมถูกต้องถูกต้องสร้างเหตุที่เป็นไปเพื่อการสิ้นกรรมนะคะค่ะตอนฝั่งคาลันนีก็เป็นคำถามจากคุณพัฒมน ซึ่งพวกเราก็พล่อยได้ประโยชน์ไปด้วยนะคะกับหัวข้อที่เกี่ยวกับเรื่องของการที่จะทำกรรมใดเพื่อที่จะทำให้กรรมหนักๆที่ทำไว้นั้นเป็นอันไม่ต้องอามามาก็ได้คะ่ะไม่มาไม่มาเป็นผลที่ไม่ดีแก่เราเป็นไปเพื่อการสิ้นกรรมไม่ใช่ทำง่าย นี่นี่คือสิ่งที่ดีที่น่าจะเป็นประเด็นมากกว่านะคะว่าอย่าประมาทให้เร่งเมื่อมีความรู้นี้แล้วก็ทําในทุกเวลาที่ท่านสามารถทําได้เลยเยียมผ่านค่ะนะคะวันนี้เราคงจาร์นวัสการขอบพระคุณท่านพระมหาภาัยบูร์อภิปุณโญวัดป่าดอนไฮโซจังหวัดอุดรธา น, นีไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะกลับวัสดการท่านะคะเยี่ยมผ่าน คุณฟังที่ครบค่ะและนี่ก็คือรายการสันสนีสนทนานะคะเราเห็นว่าชาวพุทธเป็นจํานวนมากศรัทธาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ศรัทธาถึงขนาดที่เชื่อต่อ ต, อตอกันมาว่าพอเห็นชายพระเหลืองไห ว, ไวนี่เรากราบไหวบูชาได้นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าเราจะต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องด้วย นะคะเพื่อที่จะได้ไม่หลงทางแล้วก็จะได้ประโยชน์จากการเป็นคนที่บอกว่าอยู่ภายใต้คำสอนของพระพุทธเจ้าของเราวันนี้เราจะประเด็นได้เป็นประเด็นที่สำคัญมากว่าเอกลักษณ์ของของการตรัสรู้ของท่านที่ไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครนั้นก็คือสามารถชี้ทางให้เราพ้นออกจากกรรมหรือว่า บางทีเราอาจจะเคยได้ยินใช่ไหมคะว่าให้พ้นจากความตายคือเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วกรรมเนี่ยมันก็จะอยู่ในระหว่างการที่เกิดเรื่อยไปจนกระทั่งถึงสิ้นชีวิตและไม่ได้หมายความว่ากรรมไม่มีเหลืออยู่นะคะถ้าเรายังสร้างเหตุไม่ถึงขนาดที่ทำให้กรรมหมดไปได้อันนั้นก็เป็นเรื่องที่เป็นภาระ ต่อไปวันนี้เราคงจะลาการไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วก็ติดตามรับฟังรายการกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ไม่แน่นะคะท่านเพรพิปูลอาจจะมาพูดต่อในเรื่องเกี่ยวกับกรรมที่บางท่านคงค้างสนใจกันอยู่หรือว่าถึงไม่พูดเรื่องนี้ก็มีเรื่องอื่นๆที่ยิ่งฟังก็ยิ่งได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นนําไปใช้ในตัวของท่านเองได้พบกันใหม่คะ่ะพุทวสวัสดีคะ่ะ